อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือข้อ6 8ร1ิเอ็หนึ่งพิกษีีถูกพวกชาวบ้านดึงตัวไป 2. ภพิกษณีขออารักขา 3. ภพิกษณีบอกไม่จอดจงบุคคล 4. ภพิกษณีวิกลจริต 5. ภพิกษณีต้นบัญญัติสังฆาทิเศษสิขาบทที่หนึ่งจบ